หัดสายหลงพระเทียนสายหลงพระเทียนนดีแล้วล่ะนะไม่เตลิดเปิดเปิงไปไกลเราขยับตัวเพื่อจะรู้สึกตัวที่จริงแล้วการปฏิบัติเนี่ยไม่ว่าจะรู้กายเวทนาจิตหรือรู้ธรรมนะเราทาไปเพื่อสองวัตถุประสงค์อันหนึ่งเพื่อให้เกิดสติอัหนหึงเพื่อให้เกิดปัญญางั้นสติปัฏฐานเนี่ยทําไปเพื่อสองอย่าง คือเพื่อให้เกิดสติกับเพื่อเกิดปัญญาแต่อย่าไปวาดภาพเพื่ออย่างโน้นอย่างนี้หลายคนเลยยังขยับหรือหายใจเข้าหายใจออกเลยกลายเป็นว่าขยับเพื่อจะขยับ okay. เห็นเขาทําทก็ทําตามๆกันหรือว่ามุ่งทําไปเพื่อเอาความสงบอะไรเงี้สงบมันก็ดีเหมือนกันแ่ะแต่การเจริญสติปัฏฐานเนี่ยไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเอาสงบ เพื่อให้มีสติกับเพื่อมีปัญญาทำสมถะเนี่ยวัตถุประสงค์อย่าให้สงบนี่วิธีที่เราจะทำอย่างเคลื่อนไหวกายให้เกิดสติะต้องตามรู้อเช่นร่างกายมันเคลื่อนไหวไปแล้วเราก็ค่อยรู้ว่าอาเมื่อกี้มันเผลอเผลยกมือรู้สึกไหมตรงที่เรามันเผลยกมือขึ้นมาหรือมันก้มมันเงยเนี่ยนะ มันใจลอยแล้วมันเคลื่อนไหวไปด้วยความหลงด้วยความเผลอแล้วเกิดระลึกขึ้นได้ว่าเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้พยักหน้าการพยักหน้าเพิ่งเสร็จไปสดสดร้อนร้อนเพิ่งขยับคุณมลเห็นไหมยิ้มรู้สึกไหมพอนึกได้ปับถึงรูปที่กําลังไปเกิดแต่กี้เนี่ยตามรู้นิดเดียวนะตามรู้แบบกระชั้นกระชั้นสติจะเกิดขึ้นมาหรือถ้าเราตามรู้ความรู้สึกในใจเรา อย่าง ใ, ใจเราเกิดความสงสัยเรารู้ว่ามันสงสัยทันทีที่รู้นี่สติจะเกิดจะรู้สึกตัวขึ้นมานี่พอเกิดสติเกิดความรู้สึกตัวแล้วจิตใจตั้งมั่นเกิดสมาธิจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวคราวนี้ยพร้อมจ ะ, จะเจริญปัญญาแล้ววิธีจเจริญปัญญาในการรู้กายเนี่ยจะต่างกับจเจริญสติที่จะรู้กายจเจริญสติเราก็ตามรู้กาย แต่ถ้าพอถึงขั้นจเจริญปัญญาด้วยการรู้กายเนี่ยเรารู้กายลงปัจจุบันอันนี้ไม่ใช่กายที่เพิ่งจบไปนะเากายปัจจุบันเลยกําลังเห็นรูปเคลื่อนไหวรูปกระพริบตาพริบๆๆอย่เนี่ย น, นะ <c oughs> เห็นรูปมันเคลื่อนไหวเห็นรูปมันเหนี่ยวซ้ายแหลขวาเห็นรูปมันกลืนน้ําลายรู้ลงปัจจุบันรู้ลงไปตรงๆเลยเห็นว่าไอ้ที่กําลังเคลื่อนไหวกําลังกระดุกกระดิกอย่เนี้ยมันไม่ใช่ตัวเรา คือถ้าใจมีความรู้สึกตัวมันจะเห็นเลยว่าที่เคลื่อนไหวอยู่นี่ไม่ใช่เราแต่ถ้าเกิดโลภะขึ้นก่อนอยากปฏิบัติเอาใหญ่เชียวต้องใจทามันกลายเป็นเราทาอะ่ะมันจะเห็นไม่ได้มันเห็นรูปประมัดไม่ได้มันจะเห็นแต่บัญญาติมันรู้สึกว่านี่คือตัวเราเพรานั้นก่อนที่จะมาเห็นรูปประมัติที่เกิดดับเคลื่อนไหวเห็นรูปเคลื่อนไหวไม่ใช่เราเคลื่อนไหว จต้องมีความรู้สึกตัวมีสติมีสัมมาส ม, มาธิขึ้นมานะวิธีทำให้เกิดสตนะิก็คือสติเป็นความระลึกได้ระลึกได้อย่างเราจะระลรรึกถึงสมพงได้ต้องรู้จักสมพงมาแล้วระลึกถึงโยรู้ระลึกถึงเขียวอย่างเงี้ยต้องรู้จักโย ร, รู้จักเขียวถึงจะระลึกไดนะ้สติก็เหมือนกันนะมันจะระลึก คืออารมณ์ต่างๆได้ถ้ามันเคยรู้จักอารมณ์เหล่านั้นเพราะั้นหน้าที่ของเราที่อุตส่าห์ไปทําสติปัฏฐานเนี่ยเพื่อให้เรารู้จักอารมณ์ของรูปธรรมนานมธรรมนั่นเองอย่างเรารู้จักทํากายานุปัสนาเนี่ยเพื่อจะให้รู้ว่าไอ้ที่เคลื่อนไหวอยู่นี้มันรูปนะรูปมันยืนรูปมันเดินรูปมันนั่งรูปมันนอนรูปมันคูรูปมันเหยียดนะต่อมาพอเราใจลอยเราเกิดเคลื่อนไหวโดยไม่ได้เจตนา ลอยจะยักหน้าปุ๊บยักหน้าปุบสติมันระลึกได้นะอ่ารูปมันไหวละมันเคยรู้จักรูปที่ไหวอย่างที่เราหัด ก, กันนะหัดไม่ได้หัดเพื่อให้สงบนะแล้วก็ไม่ใช่หัดเพื่อจะมานั่งคิดเอาว่าอยู่ท่านี้แล้วเดี๋ยวจะมาท่านี้เดี๋ยวจะมาท่านี้อันนี้หลงทั้งสิ้นเลยหรือไม่ได้ฝึกเพื่อให้ใจเราไหลไปเกาะนิ่งๆอยู่ที่มือนะเยอะเลยที่ส่งส่งจิตไปเกาะไว้ที่มือ นี่ทําผิดวัตถุประสงค์ครูบาอจารย์อย่างหลวงพ่อเทียนนสอนให้ขยับเพื่อจะให้รู้สึกตัวขยับเพื่อปลุกตัวเองให้ตื่นขึ้นมางั้นถ้าทําผิดวัตถุประสงค์แล้วก็ไปไม่รอดเลยสิ่งที่ได้คือได้แค่สมถะคือจิตใจไม่หนีไปที่อื่นจิตใจอยู่กับมืออย่างเดียวหากรู้สึกขยา่านะขย่าเพื่อจะรู้สึกตัวขยับ อย่างนี้ไม่ได้นะอย่างนี้ไม่รู้สึกตัวอย่างนี้เหลือไปคิดเอานะจงใจขยับรู้สึกไหมรู้ไหมว่าจงใจทําให้รู้ทันความจงใจไว้ก่อนนะการเจริญสติจะเอาตัณหานําหน้าไม่ได้นะแต่ถ้าเราเอ้าครูบาอาจารย์บอกให้ขยับเราจะขยับแนะ้นะทีแรกเราตั้งใจขยับต่อมาเรารู้ทันว่าเนี่ยกําลังจงใจขยับอยู่ ทันทีที่รู้ทันความจงใจดับไปนะมันจะขยับขยับแบบธรรมชาติมากนะจิตใจจะเบาเารู้สึกไม้มือมันหนักรู้สึกไม้มือมันหนักขึ้นมาแต่ถ้าหากรู้สึกตัวแล้วก็มือไม่หนักมือจะเบาไม่มีน้ำหนักในกายไม่มีน้ำหนักในใจหนีวิคิดทราบไหมหนีวิคิดรู้ว่าหนีวิคิด หนีไปคิดก็คือเผลอไปขาดสติไปที่ท่านอุตสา์ขยับตัวนี้เพื่อจะปลุกตัวเองให้ตื่นให้หลุดออกมาจากโลกของความคิดเนี่ยหนีไปคิดอีกละมันไปคิดมันรู้เรื่องที่คิดรู้สึกไหมเรารู้เรื่องที่คิดแต่เราลืมกายลืมใจอย่างที่ท่านอุตสา์สอนให้ขยับบางสำนักสอนให้ดูท้องฟองยุดูเท้ายกเท้าอย่างเท้าหลวพ่อเทียนขยับมือ สิบกว่าจังหวะเนี่ยกวจะครบสองข้างให้ทำเพื่อให้รู้สึกตัวหนีไปคิดอีกละรู้จักหนีไปคิดหรืยยอยั ง, อยงเอองงรู้ว่างงสินะงงอย่าไปคิดเอางงรู้ว่างงนี่เรียกว่าเราปฏิบัติการปฏิบัตินะเหมือนเส้นผมบางผูกเข่ากิเลสมันจะคอยหลอกให้เราคิดไปเรื่อย เนี่ยมันอยากรู้มก็แอบไปคิดอีกละไหมรู้สึกไหมอาจารย์อาจารย์เป็นไงวันนี้ อ, <laughs> อาจารย์อย่าไปทำนะเนี่ยทำเรืนแข็งมันมันสงสัยอะ่ะรู้ไหมมันงงอะ่ะรู้เปล่างงรู้ลงไปว่ากำลังงงอยู่ดูลงไปที่ใจที่กำลังงงนะสังเกตไหมพอคุณงงคุณไม่ดูว่างง แต่คุณไปคิดรู้สึกไหมพองงเราก็อยากเข้าใจใช่ไหมอยากรู้อยากเข้าใจก็ อ, อยากรู้อยากเข้าใจเราก็คิดใหญ่เลยนึกออกไหมนั่นอะหลงอะนะงั้นรู้สึกตัวก็คือถ้าอยากปฏิบัติก็คือพองงรู้ว่ากำลังงงอยู่ดูลงไปที่จิตใจที่งงนะรู้ลงไปอ้าวยมหลวยเชิญนี่ใส่บาททุกวันเลยเนาะ อ้าวไปดูคนอื่นลืมตัวเองสมพงษ์เป็นไงสมพงษ์นรู้สึกบ่อยๆนะอย่าไปแกล้งทําอย่าไปแกล้งรู้สึกสมพงษ์มีหน้าที่อันเดียวอะกายมันเคลื่อนไหวก็คอยรู้ใจมันเคลื่อนไหวคอยรู้ จิตใจเราเคลื่อนไหวเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยววิ่งไปทางตาเดี๋ยววิ่งไปทางหูเดี๋ยววิ่งไปทางใจนะรู้ไปที่ความรู้สึกรู้ไปที่อาการเคลื่อนไหวในนกหนีไปเกิดแล้วทำอะไรอยู่ทราบไหมเมื่กี้เนี้ยหลงดูอืมนะค่อยๆฟังไปยังเข้าใจยาก จำไว้นิดเดียวว่าทําอย่างแต่เกียอแต่มาเรียกว่าหลงดูนะเดี๋ยวจะรู้ว่าดูโดยไม่หลงเป็นยังไงนะสังเกตไหมว่าเราไปดูการกับพิบตาเราเกิดความจงใจที่จะดูนะเราอยากจะดูแล้วก็เกิดการดูรู้สึกไหมในขณะ น, นั้นเราลืมตัวเองหมดเลยนะโลกนี้เหลือแต่ตานะลืมกายลืมใจนะั้นเหลือแต่ตาที่กระพริบกระพริบรู้สึกไหม ความรู้สึกตัวมันหายไปความรู้สึกตัวทั่วพร้อมรู้กว้างๆรู้สบายๆนี่หายไปเหลือแต่ตาวิบบน ะ, เ ร, ะเรียกว่าหลงดนะูค่อยๆเรียนนะใจะเย็นๆยาก น, นิดนึงแต่ถ้าเข้าใจสิ่งที่อาตมาร์บอกแล้วการปฏิบัติจะง่ายนะเดินเล่นอยู่แท้ๆก็ปฏิบัติอยู่ดูทีวีก <era> ็ปฏิบัติอยู่เห็นช่างบ้านตีกันเราก็ปฏิบัติอยู่ นั่งรถมารถมันติดเราก็ปฏิบัติอยู่ทําได้ตลอดเลยแต่ถ้าเราคิดว่าการปฏิบัติคือการต้องทําอย่างนั้นต้องทําอย่างนี้โหทำยากเวลาทํางานอย่างอื่นก็ปฏิบัติไม่ได้เลยนิปเป็นไงนิปหนีไม่ทําอะไรหะ เ, หเห็นไหมหลงไปดูอีกแล้วนะสังเกตไหมมันคล้ายๆพอจะดูลมหายใจมันเหลือแต่ลมหายใจ นะอย่างอื่นหายหมดเลยรู้สึกไหมกายหายใจหายเหลือแต่ลมหายใจการที่จิตของเราโฟกัสหรือคอนเซนเทรตลงไปอยู่ที่จุดเดียวนะคือการเพ่งนะคือการเพ่งลองดูลมหายใจใหม่เนี่ยรู้สึกไหมมันคือการไปเพ่งลมหายใจใจเราเคลื่อนไปอยู่กับลมรู้สึกไหมเพราะงั้นต่อไปเวลาเรามาขยับมือเนี่ยใจเราไปเคลื่อนไปอยู่ที่มือ นึก อ, ออกไหมเ พ, งพ่งทั้งหมดเลยแต่มาเคยเข้าไปกราบหลวงพ่อเทียนอนนะั้นท่านกำลังสอนอยู่นะยกใจท่านขยับนะท่านรู้สึกตัวลูกศิษย์ขยับเพ่งเอาพวกหนึ่งเพ่งจิตไหลไปอยู่ที่มือพวกหนึ่งคิดเรื่องมือแล้วขยับท่านี้แล้วเดี๋ยวจะมาท่านี้เป็นนั่งเพ่งเอาหรือไม่ก็หลงคิดเอาเนี่ยสุดต่งอยู่สองฝั่งนะไม่ใช่การรู้นะ การรู้ไม่ใช่การนั่งคิดเอาไม่ใช่การนั่งเพ่งเอาการนั่งเพ่งสังเกตไหมเบื้องหลังการนั่งเพ่งคือตัณหาคือโลภะอยากปฏิบัติพออยากปฏิบัติก็เกิดการปฏิบัติคือการเพ่งเพราะงั้นการปฏิบัติ น, นั้นนะเจือด้วยโลภะจิตดวงนั้นที่กําลังปฏิบัติอยู่เป็นอกุศลจิตจิตดวงนั้นจะหนักหนั ก, นกแน่นๆ่นแข็งแข็งชื่อชื้อรู้สึกไหมเอาลองหายใจไหมเนีย่ยตะเกียะ เนี่ยรู้สึกไหมว่าจิตมันซึมนะมันเริ่มซึมมันเริ่มทื่อจิตที่ซึมจิตที่ทื่อเป็นอกุศลจิตนะพวกเราเวลาลงมือปฏิบัตินะเราลงมือสร้างอากุศลจิตกันใหญ่เนี่ยเที่ยวไปหามันแล้วทราบไหมหลงหาเห็นไหมอ่าไม่หาหลงหาเข้าใจไหมคำว่าหลงหาเที่ยวหาใหญ่ลืมตัวเองลนะนะ หน้าที่ของเราจิตมันกำลังหารู้ว่ามันหารู้ทันพฤติกรรมของมันนี่เรียกว่าปฏิบัตินะจิตไปเพ่งรู้ว่าจิตไปเพ่งนี่เรียกว่าปฏิบัติการเพ่งก็ดีการหาก็ดีการตั้งท่าปฏิบัติจะดีนี่ของปลอมหมดเลยหลงทั้งนั้นนะ่ะเนี่ยเข้าไปหาอีกแล้วทราบไหมถลับลงไปอีกแล้วนะวรู้สึกตัวขึ้นมามีความรู้สึกไหมเหมือนเราจะเข้าไปข้างใน เราจะเข้าไปอยู่ในโลกภายในทิ้งโลกข้างนอกการปฏิบัติไม่ใช่การหนีโลกข้างนอกไปอยู่กับโลกข้างในการปฏิบัติไม่เอาโลกไหนเลยรู้สึกตัวขึ้นมาตื่นขึ้นมาเนี่ยหนีไปคิดเอาละแล้วเที่ยวไปหาเอาอีกละรู้สึกไหมทำอะไรอยู่ไม่เอาเนี่ยหลงนะหลงไปดูมันหลงไปหามันใจเราไหลไปอยู่ที่มัน นะหลงเรียกว่าหลงดูเป็นการหลงเข้าไปภายในนกไม่เอานกโยเป็นไงโยขยันปฏิบัติอยู่หรือเปล่ า, เ, าเดินไปนะแต่ว่าอย่าเกรงนะให้เป็นธรรมชาติที่สุดเลย นะการปฏิบัติจริงๆเนี่ยนะเราปล่อยจิตให้เป็นธรรมดาที่สุดเลยธรรมดานะั่นแหะวิเศษมากหนะลวงพ่อพุธท่านเคยสอนบอกว่าแต่เดิมท่านคิดว่าศีลสมาธิปัญญานี่ปัญญาวิเศษวิเศษที่สุดนะท่านบอกพอท่านปฏิบัติไปจ น, นสุดจีดแล้วเนี่ยท่านกลับรู้สึกว่าศีลเนี่ยดีที่สุดเลยศีลนะก็คือการที่จิตใจมันเป็นปกติมันเป็นธรรมดามัานธรรมดาที่สุดนั่นแหละดีที่สุด เหนือธรรมดาไม่ดีนะเราชอบปฏิบัติให้เหนือธรรมดารู้สึกไหมหนูนาก็ยังไม่เลิกนะชอบเหนือธรรมดาคุณพลางก็อย่าเป็นเหนือธรรมดานะผีสางนางไม้ไปสนใจมันผีมันเก่งจริงมันเป็นเจ้าโลกแนละ้วนี่มันต้องมาขอข้าวคนกินไปกลัวอะไรมันจิตเรามันพร้อมจะสร้างผีขึ้นมานะ ถ้าเราน้อมใจเชื่อผีไว้ก่อนแล้วก็น้อมใจให้เคลื่อนลงไปแล้วก็สร้างผีขึ้นมาได้กี่ตัวก็ได้นะสังเกตไหมผีของเราก็หน้าตาแบบผีไทยๆนอะนะแขกเวลามันเห็นนะมันก็เห็นผีแขกนะเวลาเราจะไปเที่ยวนรกสวรรค์นนะนรกมันก็นรกไทยๆเนาะมีกระทะทองแดงมีต้นยิ้วเออนรกฝรั่งมันหนาวนะ นโลกไทยลงไปโอ้ไฟทั้งนั้นเลยเห็นไฟท่วมเลยมันสร้างอะไรก็ได้นะเวลาไปเที่ยวสวรรค์ต้องเจอเทวดาหัวแหลมๆใส่ชดาใส่ะรนะใส่สูตรไม่ได้นะเคยเห็นเทวดาใส่สูตรไหมไม่มีแม้จิตมันหลอนเอาสร้างอะไรได้ทุกอย่างแหละผีไทยก็ถ้าผีผู้หญิงนะจะให้ดีเย็นเทียนต้อง ใส่ผ้าสบายเฉียงทัดดอกไม้ยังไม่เคยได้ยินนะใครมาเล่าผมภาวนาะจิตมันถอนเราไปแล้วเห็นเทวดาอยู่บนตึกใส่สูตรด้วยไม่มีเ้าจิตมันไม่หลอนอย่างนั้นเชื่ อ, อยังไงไปปรุงไานนั้นขึ้นมาง่ายยมรวยหัดพุดโทโธไว้ยัง อย่าให้ใจลอยนะวันวันหนึ่งรู้จักใจลอยไหมรู้จักเหม่อไหมอย่าเหม่อบ่อยอย่าให้มันเหมอนนานๆนะค่อยรู้สึกเรื่อยๆทำอะไรอยู่เมื่อกี้นี้นะหลงคิดนะไม่ว่าทำอะไรนี่นะเติมคำว่าหลงเข้าไปเลยไม่ผิดหรอกถ้ากำลังทำอะไรอยู่โดยไม่รู้ว่ากำลังทำอยู่อยากทำไม่รู้ว่าอยากทำหลงทั้งนั้นนะ่ะ อยากปฏิบัติก็หลงปฏิบัติอยากดูก็หลงดูอยากฟังก็หลงฟังอยากคิดก็หลงคิดนะโยโยโยหลงอะไรโยบอกให้ชื่นใจสิมันหลงอะไรล่ะหรก็ดูไม่ออกเลยถ้าดูไม่ออกก็หลงหลงถ้าหลงกำลังสอง คือโมหั น, นั่นเองโยดูออกไหมว่ามันมีการทํางานทางใจเออรู้ว่ามีการทํางานทางใจพอแล้วมันทําอะไรไม่สําคัญหรอกแค่รู้ว่าทํางานทางใจก็ใช้ได้ล้วเขียวอ่าเขียวเป็นไงเข้ามาหาอะไรยังยั ง, ยงเหรอดีนะหัดแต่เล็กๆ เ, เ, เลยมาวัดที่แรกตัวนี้เดียวในนี้ชักเป็นหนุ่มแล้วโอ้ส่งกันบ้านไหม เดี๋ยวนี้ทำงานอยู่ที่ไหนที่สอนหนังสือนะั้นนงสือไม่ใช่ละเตี๋ยเขาบา้างยังไปเตีัยเขาบา้า ง, องอยังเรามีวา ส, สนาในทางเตีับคนเออมันต้องอย่างนั้น ไปบังคับอะไรใครเขาได้ละ่ะนะอืมไม่งั้นนะย้ายที่ทํางานไปอีกที่หนึ่งก็ไปตีกับเขาอีกนะนี่จัดการที่ใจเราเลยดีนะดีอย่างนั้นนะเราเติบโตขึ้นละนะมัวแต่ดูคนอื่นจะแก้ที่คนอื่นที่เรื่องของเด็กนะอย่างเด็กมันอยากได้ขนมก็ร้องโยเยโยเยไหมบังคับคนอื่น ทำอะไรทราบไหมเออรู้จักหลงแล้วเหรอนะหัดรู้จักอย่างเนี้ยนะรู้จักไปทีละตัวสองตัวแล้วต่อไปจะรู้เลยว่าจิตใจเราหลงได้น า, นานาชนิดเลยนะทันทีที่รู้ว่าหลงความรู้สึกตัวก็เกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นความรู้สึกตัวเนี่ยไม่ได้เกิดจากการที่บังคับให้รู้สึกด้วยการนั่งเขยา่านั่งแว่งอะไรความรู้สึกตัว เกิดจากการที่จิตมันรู้ทันรู้ทันกายรู้ทันใจตัวเองเนี่ยขยับมือเผลอไปเห็นมขยับมือใจยังอยู่ในโลกของความคิดเดไหว้ไว้ก่อนนะนะนะ เ, เนี่ยยังอยู่ในความคิดนะเนี่ยหนีไปคิดอีกแล้วทราบไหมไปหลงอยู่ในโลกของความปรุงแต่ง ค่อยๆดูนะไม่ยากหรอกอาจารย์จุนไม่เอานะรอบนี้อาจารย์ตั้งท่านะดูเลยหลวงใสวันอาสนะอ๋อเอ้งอาจารย์จะไปประคองมันนั่งหลับไปเลยนะเนี่ยทำอะไรทราบไหม เออนะรู้ทันนะตั้งท่าก็ไม่เอาเห็นไหมว่าเวลาเราคิดถึงการปฏิบัติเนี่ยเราชอบปรุงแต่งนึกออกไหมเวลาคิดถึงการปฏิบัติปุ๊บจะต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งนั่นเราหลงผิดละ่ะวิปัสสนาแท้แท้ไม่ใช่นั่งทำอะไรวิปัสสนาแท้แท้เนี่ยกายมันทำอะไรก็รู้ใจมันทำอะไรก็รู้มันทำนะไม่ใช่เราทำสังเกตไหมพอเราคิดถึงการปฏิบัติเราจะทา ตรงนั้นแหละที่กั้นเราไว้จัดธรรมะหน้าที่ของเราให้รู้ทันความปรุงแต่งของจิตใจไม่ใช่ไป น, นั่งแต่งมันซะเองคุณมน่ะดีแล้วนะแต่เมื่อวานก็ดีนะผชมทีเดียวเป๋เลยทีแรกชนะกุดวุฒิพอเกรงขึ้นมานละ้วุดวุฒิเขาแสง <c oughs> เ, ขเขาเท่าเดิมหนูนาทำอะไร ไม่เอาเลิกเลยรู้ทันความปรุงแต่งนะมปรางใจมันไหลออกมาข้างนอกรู้ไหมหายใจลึกๆส่งความรู้สึกกลับไปข้างหลังน่นะแล้วปล่อยอย่าประคองนั่นใจเราจะไหลออกไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะเห็นนนทนนน์นี้ไปเรื่อยๆนะเห็นสิ่งที่มันอยากเห็นนะะบางคนบอกกลัวผีไม่อยากเห็นนะอยากเห็นนะ สังเกตไหมอยังกลัวผีเนี่ยนะเวลาไปเดินในวัดป่าเนะี่ยจะคอยชำเลืองหาผีมันมันอยู่ตรงไหนเห็นไหมไม่ไม่ใช่ว่าไม่อยากเห็นนะอยากเห็นมากเลยเที่ยว ด, ดูอยู่ต้นไม้ไหมมันอยู่ใต้ดินนะ ช, ชำเลืองมากๆหงนไปหงษ์งามาเดี๋ยวก็เจอก่อนนะอาตมาเคยไปเข้าวัดใหม่ๆไปวัดแห่งหนึ่ง พวกคนเท่านคนแก่คุณป้าทั้งหลายบอกโอ้ผีดุตรงนั้นนะ่ะผีดุตัวมันสูงมากเลยนะมันร้องกรีดเลยพวกเปรตคุณป้าสรุปเลยนะว่าเปรตตัวมันสูงร้องกรีดกลางคืนได้ยิ น, ยนจริงๆกลัวเหมือนกันไปดูมันซะหน่อยกลัวมันเอาไฟฉายส่องอ๋อมันมีนกอะ่ะเกาะยอดไม้นกมันร้องกรีด๊ดอ๋อเปรตตัวนี้เอง ยิ่งกลัวยิ่งไปเที่ยวมองหามันหรือเรากลัวยิ่งล็อกแลกใช่ไหมยิ่งระแวงยิ่งหามันมากขึ้นอย่างอ้ามันไม่ค่อยกลัวงูเดินอ้าไม่ค่อยเห็นงูนเดินค ล, ลุมครามคลุมคลามงูหนีไปหมดไอ้คนกลัวงูแล้วค่อยค่อยย่องย่องเจอเรื่อยเลยเพรงูมันไม่ทันหนี ทำอะไรไม่เอาคิดว่าอะไรไม่เอารู้ว่าคิดรู้ว่าหลงคิดนะรู้ว่าหลงคิดพอแล้วคิดว่าอะไรนี่เป็นสมมุติบัญญัติอาการที่จิตหลงคิดเป็นอารมณ์ปร r ติ a นะ <c oughs> นี่หลงไปกี่ลัษงทราบไหม <c oughs> ค่อยๆฝึกนะ ถเรียนกับอาตมาสักช่วงจะพบความจรงิงว่าอาตมาไม่เคยสอนเลยว่าที่ถูกเป็นยังไงจะบอกแต่ว่าตรงนี้ไม่ถูกนะตรงนี้ไม่ถูกนะเพราะที่ถูกเนี้ยสร้างขึ้นมาไม่ได้ถ้าเมื่อไร่จิตมันไม่เดินผิดมันก็ถูกของมันเองแหละเพราะฉะนั้นรู้ตรงที่ผิดรู้ตรงที่ตรงไหนผิดนะ่ะตรงที่แอบไปปรุงแต่งโดยเจ้าของไม่เคยรู้่เจ้าตัวไม่เคยรู้ว่ามันปรุงแต่งนั่นแหละผิดละ่นะเพราะฉะนั้นจิตจะคิดก็ได้รู้ว่าคิด ใช้ได้แล้วจิตจโกรธก็ได้รู้ว่าโกรธใช้ได้แล้วนะ